เมื่อวานหลวงพ่อออกจากวัดตีห้ากว่าเมาื่อวานพอไปทอดผ้าป่าวัดห้วยชวกวัดอุดมมงคลยานะสัมปันโนวัดอาจารยหน่อยอำเภอเชียงคานจากวัดเลย หลวงพ่อออกไปไปหอดผุนประบ้านชักเจ็ดโมงกว่าๆโค๊ไก่เติออยู่เลยจากวัดหลวงพ่อไปวัดอาจารย์หน่อยติดฝั่งโขงพอดีพ่อไปก็เลาะฝั่งโขงไปเรื่อยๆไปหอดเขาวัดเปิดวัดเพื่นกัเออขึ้นไปอยู่วัดเหลียวเลียวเห็นแม่น้ําโของอยู่อันนี้ก็เลยทอดผ้าป่าพันวัดถามพันวัดตอดผ้าป่ า, ป า, ปาเพื่ อ, อยางท อ, อดผ้าป่ า, ปาเพื่อจะสร้างอยากจะได้ที่พัก ของฝ่ายอุบาทศีกายัางเหมท่านมีมีแต่มันมีพ่อผมจะปมจะสร้างที่พักฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้หยิ่ยงมากปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมแต่ฝ่ายพระเนี่ยคือจะจะเพียงพอแล้วนะ <c oughs> ก็เลยทอดชัดท่ายาดงก็เลยทอดผ้าป่าเมื่อวานนะหลวงพ่อก็ได้ไปเปิดนิมนต์ไปเป็นประธานประสมทบก็เลยไปล้วมทอดผ้าป่าเมื่อวานโอ้ ก็ได้ปัจจัยหลายอยู่ได้ได้ปัจจัยทงวั้าหมด58ด0มื่กว่าบาทแต่ตามไปจริงได้สี่แสนแต่หลวงพ่อเอาปัจจัยของวัดไปรวมสมทบไปอีกหนึ่งแสนได้เป็นเงินปัจจัยห้0แสนกว่าเมาื่อวานนะแล้วก็บ้านเมืองเศรษฐกิจขนาดนี้ได้เงินห้0แสนก็ไม่ใช่ธรรมดาคือกันนะเ พ, พวกเขาอยู่เฉยๆกับหุยจักนะเศรษฐกิจ เศรษฐกิจบานเมืองมันเฟืดอเดียวนี่แต่ทีนี้ไหนหัวเจ้ามันเฟื่องหัเจ้าว่ามันเฟื่องต่างคั้กับต่างระมัดระวังเก็บตัวให้ดีอย่าเอาไปใส่สุรุยสุ้ร้ายเท น, นั้นอ่ะเมื่อวานก็ได้ถอดปัสแจกแล้วกัอนุมโอธนาเฮอพอนแต่ที้หลวงพ่อจะมาทางพิลาบาเนมาเยี่ยมลูกหลานคันทีมาเมื่ออื่นกันทีมาเมื่อนี้ มาไ่ได้มานอนเมื่ออื่นก็ไปเลยก็จเอ อ, อันนั้นปวดอะมากก็เลยอ้อจาจังหวัดเลยมนเมื่อวานออกจากเชียงคานไปถามพวกกูบาโชเฟอร์วัดไปทั้งเหลือมันซื้อแท่เนี่ยที่แรกก็คิดว่าจะเข้ามาทางจังหวัดเลยมาทั้งน้องบัวลำโพง อ, อ่ามาแล้วก็โผล่มาน้ําพอง อ, อ่าแล้วก็ออมาบ่อนระบือมาร้อยเอ็ดเป็นไปยังมาร้อยเอ็ดเพราะว่าไม่ได้มากราบ เจดีของหลวงตาหน้าแล้วเดหลายปีละสองสามปีเนี่ไม่ได้มากราบเจดีหลวงตาก็คิดว่าจะมากราบเจดีหลวงตาร้อเอ็ดเลยก็จะมาแวะเ้ามานี่แต่เพิ่งแผนที่มันมันไกลกว่าไงโซโฟเฟอร์ก็พกกูบ้าไปทางลงไปทางหนองค่ายเขาอุดอรเครกว่าหลวงพอ่เอเนี่ยเอาไปทางเครนั่นแหละทางมันคือคำมันไกลๆนะทางมันเครื่อนั่นแหละ ก็เลยมาหอดูถอนก็เลยแวะกลุมเพระว่าปีซีธาตุว่างสมอมาสายเก่านะพอมาหอดว่ามีไปล ะ, 100ะร้อเอ็ดมาหอดสายนี่แล้ว่ะไปไปหาที่พักอ่าเท้าออกจากวัดตั้งแต่ตีห้าพอนนะไม่ไหวแล้วแล้วขอพักพอดเจ ก, ก่อนก็เลยมาหอดนี่ประมาณสักเกือบฮาหมวงเมื่อวานก็มาหอดตะเวนเติบอยู่พอมาหอดก็เลยเขาเขามาฉันน้ําฉันทาอยู่นี่นก็เลยหาที่พักแล้วมาใน เช็ดฉันจะหารเช็ดเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าขันหักว่าระบบขันไปตามเป้าตามไม้ก็คงจะไปเยี่ยมโยมอยู่ที่บ้านแหวงซะก่อนผกไม่ชีที่วัดเขาในมณฑ์จะไปเบิ่งเบิ่งวัดเขาเจ้าสักน้อยจากนั้นเขาคงจะไปร้อเอไปกราบเจดีย์ของหลวงตามหาบัวเฮาเนี่ยนะที่ไม่ได้ไปนานแล้วพอจากกลับมาแล้วผุเพราะที่มาภูเจา ก, กอ ประเด็นกำลังซ้อมเจดีอยู่เลยเจดีหลงปูร่าเนี่ยกำลังซ้อมอยู่เด่ซ้อมเป็นครั้งที่าสามแหละพอซ้อมพราเขาทําที่แรกมันเอสพีดีไปรเรืองมันลดตัวไปโมเสกมันลดพอมันรดก็ซ้อมโอ้หมดไปหลายเงินไล้ข่าวนั้นพอซ้อมอีกที่สองอีกซ้อมทางทางล้างมันไปทางฐานมันบาเนย์ซ้อมทางกลางบาเนย์เด่นนี้กําลังที่ซ้อมทางกลางทางในช้างวา น, นิชพันบอกว่าพ้นสั่ง โมเสกมาจากประเทศอิตาลีและก็อุปกรณ์ก็คงจะใช้เงินประมาณล้านกว่าบาทหลวงพอ่อแต่ว่าผมขอท่านอาจารย์ขอความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อเนี่ยสีหหลวงพ่อจะไวอย่างไรเออได้เพราะเป็นยังมาในหลวงพ่อเลยโอนเธโอนขาโมเสกมาแล้วนะ6ี่แสมืออสองอาทิตย์ที่ผ่านมากาลังเดี๋ยวนี้กำลังซอมอยู่ แต่ว่าค่าซ้อมเขานี่ก็ประมาณงบประมาณประมาณล้านกว่าบาทมั้ทงทั้งเก่าพร้อมทั้งอุปกรณ์บางตัวแล้วก็ค่าสร้างค่าสร้างเน่ยเป็นผลมาผลจิตทั้งในช้างผลจะหลับในช้างสองสมคนมุกจะมาซอม้อม น, นี่แหละอันนี้ก็คือซ้อมพระเจดีย์ของหลวงปู่หลวงพ่อมาตอนแรงอาจจะแวะถ้ามีเมยหลายกว่าก็จะแวะสวัสวขึ้นไปบึงไปกราบเจดีย์ของหลวงปู่พร้อมนะแล้วก็พอกลับมาแล้วก็คงจะมานอนนี่อีกคืนหนึง ค, คืนที่จะถึงเนี่ยจะมาพักที่นี่ก่อนแลก้กขมือเสาทางโรงเรียนน้องสูงสามภาคีวิทยาที่เขาสร้างอาคารเด็กน้อยกินเขานะลงลงอาหารคือนักเรียนตอนเที่ยงเลิกพร้อมกันลงมาน่มากินเขาเที่ยงเด็กน้อยเกิดเป็นพันมันไม่ได้มองอยู่ไปคู่เขาก็เลย อาคารมันก็ผู้พังมันมีเป็นชัดส่วนเขาก็เลยไปขอเงินกับผู้ค้าเลยสองสามปีเลยดแต่ผู้ค้าเนี่โอ้ยสมัยในเอสลาหนอดเดสร้างศาลาหนอดมันมัดไปสิบกว่าล้านแน่น่ะนะแล้วโอ้มมีมมีกำลังและลูกหลานได้ว่ะเพราะเข้ากสร้างศาลาสร้างวัตถุทางนอกอยู่บ่มีเดี๋ยวเดี๋ยวพักไปก่อนเด้อ มห้าปีที่แล้วเขาก็มาคอยบา่อสลาเขาหลังนั้นก็แล้วห น, า, นาจะเป็นไปได้มั้งสูเจ้าเจ่าไถ่สิแล้ว่เขาว่าประมาณล้านหาครับหลวงพ่อเออเอาถ้าล้านหาตกลงโอเคทำํำเลยเลยก็มาเว้าอยู่ทํากกจะพุ่งในข่าวนั้นประกาศอยู่นี่หละเมื่อสองปีปีที่แล้วเนี่ยในเขาก็เลยสร้างพอ้างเขาก็จะได้ใช้เงินนั้นลงพอ่อเบ้อไปผู้ค้าก็เลยโอนเงินมาเออแ0 0 0สนมอโอนเงิน 80,000 น มาเฮอแล้วรอบหนึ่งแต่วันนั้นเขาก็เลยมาสร้างกันแล้วแล้วบัดนะแต่ก็ยังเป็นหนี้อยู่เขาก็เลยไปหาเมื่อวานเมื่อก่อนอสองอาสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลอวะเขาก็บอกว่าอยากจะได้จํานวนยังเหลือหนะ่อยเจ็ดแสนคือสิ่พ่อหลวงพ่อกะไว้ให้พ่อแล้วนะแล้วก็เฮ่อหลวงพ่อหามือ้อนัดมอบโรงเรียนให้ด้วยหนะลวงพ่อก็าเลยนัดวันที่สิบสี่เนี่ยเมื่อวันที่สิบสามน้ำอื่นเนี่ยนัดวันที่สิบสามพวัง วันที่สิี่เข้าเตตุระวะแต่เนี้เข้าก็เลยหลวงพ่อเลยเเขานัดเป็นวันที่13บสามที่นวันมอบกับในมต์กูบาจ่าในทิ่นั้นมาเด้อมาหลายๆองค์อะไรผมไปยั้งในมณ์พ้นมาฉันแต่เรื่องจะตุกปัญญไม่ท้องถวายเพ้นก็ได้หรอกให้พ้นมาฉันเป็นักีพญาน้ากันวันที่สิบสามเนี่ยอันนี้ก็คือหลวงพ่อจะได้ไม่เอื่นี่ออกไปแต่เช้าก็ไปฉันจังหันอยู่ลง เลียนบ้านนองสูงพอฉันจะหันเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็จะเดินทางต่อแล้วเข้าไปกราบเจดีคุณแม่ละบาดเนี่ยพอเจดีคุณแม่จะไปกราบเมื่ออื่นพอจะไปกราบเจดีหลวงพ่อจามอีมาแล้วแล้วก็หลวงพ่อก็จะไปละบาทเนี่ยเฮินไปทางอุดดแต่ดี๋ยงไปหอดวัดเด้พ่อไปหอดอุดอรอนไปแวะวัดเอละวันจังหวัดเลยไปพักวัดอาจารย์ยงซะก่อนเพราะว่าทางน้องบัวลําพูเน่ย เขาในมลหลวงพ่อไอ้านไอ้เต่าแก่หลงหลวงโมหินลงโ ม, ห, โงโมหินต่อย ต, ติงนี่มลหลวงพ่อไปทาบุญวันเกิดว่าวันทำวันุวั น, ว น, วนเกิดวันทำบุญบานพบ้านพ้นพร้อมะหลวงพ่อเลไปจะไปแฝ่พักอยู่วัดอาจารย์ยงทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อน่ะแล้วมื้อเช้าก็จะไปฉันยังหันอยู่หลงโมหินไอาบรรดาหลวงพ่อสันยางหันแล้ว พูดเนี้ว่นน่ะออจารย์ไปพูบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอจะจะไปมอบอาคารเรียนของบ้านหัวางอีอําเภอน้ำโสมติด ต, ต, ต, ติวัดสาธารณที่เขาสร้างอาคารหลังนั้นรวมแล้วเกือบ5้าล้านเลยแล้วกหลวงพ่อก็ได้อีกได้มุ่งอาคารไม้เขาอีกหลังนึงอีกอรวมรวมแล้วค่าใช้ใจ่ายกับประมาณสักเออห้าล้านกว่ากว่า หลังนั้นแต่มี็นมีแ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม้นปัจจัยของภูคานีเป็นปัจจัยของโยมทางกรุงเทพโยมผู้เพันถไว้นั่นน่ะถวายเจดีหลวงตาของเฮาน่ะที่ร้อยล้านนั่นเนี่ยมาสร้า ง, งอาคารเรียนเธอหลงเรียนบรรห์สร้างหรงเรียนมันผู้พังหลงเรียนเด็กน้อยนะเน่ละจากนั้นเมื่ออื่นเมื่อนะหลวงพ่อยาได้หอดวัดพอหอดวัดแล้วมีเหิงเนี่ยป่านนี้วันที่สิบเก้าก็เป็นวันอัสสรหะบูชานะ เป็นวันพระใหญ่วันที่ยีสบเป็นวันอธิษฐานพันศาเฮาพันศาเลยเ น, น, น้อปี2 5 5พนาร้อาเก้านกนัชธา ญ, ญาิโยมลูกหลานทุกค น, นเน้อเฮาพันศาพวกเฮาทิเฮ็ดยังกวาดน้อทั้งฝ่ายพระหลวงพ่อเาบอกบบว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายลูกเสดลูกหายูไสก็ตามเห็นเฮาพันศาพวกเฮาสเสเอนเลพวกเฮาจิาตัง้งคิดอธิษฐานเอนเล ในรังพุทธเจ้าในรังพุทธการพระจักกุบานเนี่พ้นไปภาวนาอยู่ในป่าไปจำพรรษาในป่าน้ำกันห30สสบองค์พระจักกุบานเป็นหัวหน้าอ่าพวกพวกท่านทั้งหลายในพรรษานี้เนี่ยผมจะยึดอริยบทสยืนเดินนั่งจะไม่นอนตลอดไ ต, ตรมาส3มเดือน พอนอนมาในโลกเนี่ยนอนมาจนพอแห้งแล้วจนหลังแบนและเกิดมาพบไรชาติใดมีแต่นอนกินกับนอนสมัยเป็นงูเหลือมแห้งนอนลายนอนบัดมือนอนมัดเว้นนอนมัดเดือนอบาดในผมสีบอนอน้อยืนเดินนัง่งเท่านั้นที่บ่เอ็นกายในพรรษาอันนี้ก็คือพระจักกูบาลเพิ่นเป็นตัวยอย่างเพื่อพวกเฮาทั้งหลายเมื่อเฮตังอยู่ในความประมาทการว่านอนเนี่ยเป็น มันกินกับนอนมันเป็นคลองคู่กันเนีเอ่อจักรนอนเนี่ยครับพ้นไม่ได้นอนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาขึ้นกันแต่พระจักกุบาลเพิ่นจะไม่นอนตลอดไตรามาสสามเดือนเพิ่นกับพ่อวนาของเพิน่นจนได้สําเร็จเป็นพระราหารันเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้รับเอตตะคะองค์หนึ่งขึ้นกันเรียกว่าพระจักกุบาลเป็นตาบอดเลยพระจักกุบานนี่แหละ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวในพรรษาในพวกเฮาถึงจะไม่เอาจะไม่อธิษฐานนอนไม่นอนตลอดไตรมาสอย่างประจักษ์คู่บานแต่พวกเฮาคณะทายาทโยมวันขึ้นเดือนปีผ่านไปพรรษาผ่านไปแต่ละปีเนี่ยพวกเฮาได้ทําอาย่างไว้บ้างแตตามไม่จริงในพรรษานี่นะผุขาวันน่ยพวกเราเป็นพุทธศาสานิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ย ควรจะไหว้พระทุกวันไม่แหขาดในพรรษาเดตั้งจิตอธิษฐานเลยละ่ะข้าพเจ้าจะกราบพระก่อนนอนพุทธโธธรรมโมสังโคนิพานังข้าพเจ้าจะกราบพระพุทธเจ้าพระทงพระธรรมพระสงฆ์หวังพระนิพพานอย่างนั้นถ้าได้สวดมนต์ได้เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตหรือว่าอัลลังสมาสัมพุทธโธสวาคาโต ปควตาธรรมโมสุปฏิปโนโปะคะวโตวสาวกสังโคไหพระสครั้งกราบแล้วก็นนะโมตัดสาปะควโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นไหนโมสามจบเป็นความแปลและความหมายจากนั้นก็อิทิปิโสก็ได้อิทิปิโปสภควารังสัมมาสัมพุทธโธวิชากราปสุปฏิปัโนกราบ จากนั้นก็แพ่เมตตาแผ่เมตตาตอนย่างมือเส่านะข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขจังไดผู้อื่นชัดอื่นวิญญาณอื่นทั่วไตโลกธาตุคอยเมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือเข้าตังเมตตาหลวงปูลาสอนเลยสอนภูค้าสมัยเป็นเน่น ผนวอกันคนคนที่มีเมตตานะไปอยู่ในสถานที่ใดนั่งรับกับรับชนิดบอ๊อบผวาตื่นกับตื่นโดยเต็มหูเต็มตาเหมืนว่าบ่มีผิอบอ่มีผิดบ่มีไพ่บ่มีเวนเนาะคนที่มีเมตตายุกลับและตื่นเป็นสุขธรรมวคคนบ่มีเมตตามิตร พย า, ายามอดอาคาตจองเวีนกันอยู่นี่ยจะหาความสุขบรายเดอร์เพราะนั่นเวลากรรับกรนอนหรือว่าตื่นนอนเหาแผ่เมตตาทุกขังภาษาจของเห่านะข้าพเจ้าจงเป็นสุขข้าพุทข้าพเจ้าเป็นสุขคือตัวของเห่านี่ต้องการความสุขแนวแนวนเลิศนะผู้เอื้็ให้ได้ความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ ยังที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงใจทุกๆดวงวิญญาณอันนี้ ค, คือแพรเมตาก่อนรับ่อนนอนกับแพรเมตตาตื่นขึ้นมาก็ับว้พาออกกรอบนังแพรเมตตานี่แหละเอายอๆสันๆกันเป็นเป็นภาษาใจของเฮาอันนี้ก็เพียงเพียงแค่นี้ก็นับวัน ด, ดีแล้วนะถ้าเาว่าพวกเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนพุท ธ, ธบริษัทก่อนรับก่อนนอนกับวายพา ทำวัดยอ่อตื่นนอนมากอไหวพ้พระทำวัดยอ่อแล้วก็แผ่เมตตาทุกครั้งถ้ามากกว่านั้นในพรรษาเนี่ยเมื่อเข้าไหว้พระทุกวันแ่ะเข้าจะรักษาศีลหาในใดบอสมุโมว่าวันพระหนึเขาก็รักษาศีลหาข้าพรเจ้าพอตื่นขึ้นมาไหว้ไหวพ้พระยามเช้าเสร็จเรียบร้อยแลยก็เก่า นโมจตจัปคา ว, ตวาัตวะระหโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคัจามิดูตียัมปีพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคัจามิตาตียมปิพุทธังธรรมังสงังฆังสารนังคขจามิปานาติปาตาเวลมะนิสิกขาปะทังสัมาทิยามิอทิหน้าท่าน้าจนถึงสุรามเมรยะมัชฌะปมมาตฐานาเวลมะนิสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ และก็กล่าวคําสุดท้ายอิมานี้ปัญจะศิกขาประท่านี้สัมมาธิยามิสามเถอเก้าสามเถออีมานี้ปัญจะศิกขาประท่านี้สัมมาทิยามิความแปลและความหมายกา็อีมานี้ปัญจะแปลว่าศินท่าน 5. ข้าพระเจ้าจะรักษาสินท่าขอสมาท่านสินท่าในคืนมือน่อนึงกับคืนนึงมื่อนี้เมื่อวันพระเนี่ย ข้าพเจ้าจะรักษาสินหาตลอดวันและตลอดคืนปัญจะสมาธิยาิเนนี่แหละอันนี้เพียงรักษาเท่านี้ก็เป็นสินหาเลยนะไม่ต้องมารับกับพระใครเพวาเขาไปหาพระไกลเราสมาถท่านอยู่ในบ้านก็ได้นะนี่แหละขั้นของวิธีการรักษารักษาง่ายๆและรักษาสินนะข้าพเจ้าจะรักษาสินทุกวันพระถ้าเขาผู้เฒ่าผู้แก่กรักษาสินอุโบสถก็ได้นะ อ, อแล้วก็เออผู้คายจะรักษาสินุโบโสดเน อ, อแล้วก็อิมะอิมานี่อาธาธัฏฐสิทธขาปธานี่สัมมาทิยามิขับไปเจ้าจะรักษาสินุโบโสดรักษาสินแปดเมือ่อนึงกับคืนหนึ่งออตอนนี้แหละก็เป็นศินแล้วนะนี่แหละอันนี้ก็คือรักษาศินแต่รักษาถ้าเป็นไปได้รักษาตลอดไตรมาสสามเดือนก็ได้บอกไปยังอย่างโยมพอเนี่ยโยมปู่ของ เท่าเนี่ยยมเพอของหลวงเพอเนี่ยเพื่อรักษาสินไาอยู่ผูกเก่านี่ยได้เนี่ยอยู่กรเคิลเนี่ยอสมัยนั้นคุณคุณคุณเพอพ่ะนะหลวงเพอพ่ะนะเออหลวงเพอพันมาบวชอยู่นี่โยมยาก็มาบวถอยู่นี่คุณไม่ฉีแก้วก็มาอยู่นี่ยายยิงมาอยู่นี่เออยายสาเตยเขามาอยู่นี่คนไปเออหลายคนเนีมาอยู่ผูกเก่าในสมัยนั้นอาจารย์พันเน่ยเป็นอาจารย์ ก็มีพระย์สามสี่ห้าหกองแต่โยมปู่ของเฮ้าเออพ้นบทมาได้หกปีมากำะม่อมมรณาภาพย์่หลังผู้เก่าเนี่เล็ก็ขึ้นไปหลังไปเผาย์าหลังผู้เก่านี่ยเลยย็ยโยมปู่นะเออแต่โยมแม่ไอโยมยากันน่ะเป็นไม่ชีอยู่นั่นแหละจู่ทำผู้เก่านะครับคุณไม่ชีแก้วนะโยมพะอะโคลงพอเนีเ่ยจู่บันแววงเนี่ยเออ ทำไมทำไมนั้นไม่ได้ลวงสีเด้มีแต่คกกระเดื่องวนไปสองผัวเมียนะครับลูกเนี่และยายล้านนั่งอยู่ในนั้นพี่สาวเน่ยกับพี่ตา น, นกับลูกสาวกับกำลังสีเลสมั่งสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบหกปีนะอายุยงพร์ปนมาปนสามสิบห้าปีเด้ปนรักษาสินฮาเนี่ยยงพร์เนี่ยบัดนี้เพิ่งกัดตาเข้าแล้วก็เอาห้าบเข้าขึ้นมาส่งคุณยาเนี่ยผู้เก่าเนี่ยนะ มาชงคุณพาะเพะนะื่อน่ะเป็นพรนะอาจารย์พรนะเนี่ยเป็นหัวหน้านะแล้วก็คุณนสาวสาวเตยเน่ยรนะูสาวลาเพื่นมาบวชนำเลยแล้วก็คุณแม่คําเคียนเนะี่ยเป็นแม่ชีสมัยนั้นนะ่ะหลายๆคนนะีแม่ชีกัอเมียจูฮาหกคนมาคุณแม่ชีแก้วเป็นหัวหน้าแล้วก็คุณยาเนะี่ยเป็นเป็นผู้มีอายุมากกว่าหมู่แต่กับนั่นแนหะก็เป็น กุญญาเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธานะไปแต่เรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องความรู้น่ยเหมอบพระกุณไม่ชีแก้วนะไปแต่ผู้เท่าก็มารักษาสีล่ยงเพาะน่ยห้าบเขาคกกระเรื่องเน่ยทำเข้ามาแล้วก็ห้าบเข้ามาสองสมเมื่อก็ตํบมาส่งให้กุญญามาตรงมาส่งถวายคูบาอาจารย์ได้อาหารเขาสารอาหารแห้งหมดไปพวกกบพวกสัต อาหารของแห้งของป่าทอไปสมัยนะั้นมันหาได้ง่ายามาส่งเออ ถ, ถวายขุนขุนแม่เลี้ยงเป็นอาหารเน่าทอไปทั้งที่คุณยา่าในจิตีอกดีใจได้กินอาหารจากลูกทรายมาส่งนะบางที่กับป้าบังกบบังเนื้อเกง่งเออเนื้อฟ้านบังเออเนื้ออีเห็นบังเออลายแนวนอนไปทุกแท้แต่จะหาได้อมบฟะ มาฝา่าขุนย่ามาฝา่าขุนเพาะมาเอาเข้อในขั่วแต่คุนย่าบอกเออลูกเอเอโตห่าบเข้าเอาอาหารมาเหอแม่กะมาเลี้ยงกะดีหรอกแต่ว่าแม่เนี่ย่ยาเคยตรวรักษาศินสินหานี่ได้ปอในพรรษาเนี่ ย, ยแต่ว่าเรื่องอยู่เรื่องกินเนี่ก็เออแม่กะทีหาหนอไม่หนอนน้ำกินตามสภาพ ให้โตเอาเข้ามาธรรมดากับพ่อแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ที่ข่าซัดที่ออกมาอาหารมาเฮ่อเนี่ยกันแม้ก็ไม่ได้เน้นเรื่องกิ่นอาหงอาหารขนาดนั้นเราเป็นมาบวชแล้วนะให้ตัวรักษาสินได้บ่อผู้แม่บอกใลูกชายเห็นหมด่นะขนาดลูกชายเอาอาหารมาเฮ่อจิตที่ทอกใจใจมีแม่เลยผู้เท่าคิดถึงสินถึงธรรมพูด ถึงน่ะบาาถึงบุญมากกว่าเนมากกว่าปากกว่าท้องอนไปมากกว่ารดอาหารน่ะเห็นไ่มคุณยาน่ะเป็นคนมีศีลมีธรรมประนั้นแหละม<บ>านี้ไปว่าให้เทายมพอฟังมาเลยยมพออืมครับเดี๋ยวผมจะไปปรึกษาครับแม่ผมก่อนแม่บ้านผมก่อนครับคุณายาะเออบ้านี้เท่าพอกเลยมาปรึกษาครับยงแม่เนี่ยนะบ้านี่ ไอ้คุณแม่ของหลวงพ่อแม่บ้านพน่ะเอ้คุณย่าคุณแม่พอนว่าจะให้ผมรักษาสินหาได้ในพรรษาเนี่เออน่าเลอะละพวกเฮาที่หาเลี้ยงกันได้บล็กันกันที่เก็บได้เนีอยกันที่รักษาสินหาเนกันเอาว่ากันเห็นพ้องต้องกันกันบอมีเห็นพ้องต้องกันมันก็รักษาไม่ได้แล้ว พออยู่โค้งโโหผัวเม่ยันมีเห็นพร้อมกันเนี่ยมันกับพิษกันมันก็ไม่เป็นบนแล้วนะทั้งโย่อมแม้บันว่าเออเอาก็ได้ บ, บไปยังอพอรุ่นสาวรุ่นสรยก็พ่อใหญ่ขึ้นมาพ่อซ้อยมือได้อยู่แล้วนะการตรวจะรักษาการรักษาได้เจ้าพอ่อก็เลยตัดสินใจรักษาสินห า, าในอายุพรรษาอยู่อายุสามสิบห้าปีพรรษาอายุพ่อรักษาสินหาจากนั้นก็ย่อมแม้กันเนิดเนี่ย เอเรื่องอาหารการกินแนวอื่นยงพออ ย, ง, อยงแม้กับลู่ลนะุ่ะช้อยกันเบิงแต่ยงพอก็ไม่ได้ปล่อยปลาเลยเนี่ยไปหานหน่อไม้ไปหาเฮ็ดไปหา อ, อหน่อไม้นหน่อหนามอะไไปมาเลี้ยงครอบครัวแต่เรื่องค่าซัดค่าปูค่าปลาค่ากบค่าเขียดยเนี่ยยมพอบอกเกี่ยวไปในตลอดใจมาดสามเดือนพออพันษาแล้วทีนี้ก็ วัดแลนะเ่ยพอตั้งจิตตั้งเจียวว่าจะรักษาสินฮาสามเดือนได้วันนี้พอจะรักษาจิตพอ่ออ้มาบ้านเนี่ยจะไปหาค่ากบค่าเขตบ้านเนี้ค่าสัตว์โอ้ค่ามีลงผู้เท่าวะโยมพอเว้าเขาฟังเลค่ามีลงฮาสัตว์มีลงแล้วเอเห็นแล้วมันมันเรื่อ ม, มันมันมันสะเทือนในใจก็เลย ม, มาวอลเฮ า, าแม้ฟังอีกโอ้เฮ็ดอย่างไรเราจันเปิงคอยจิค่าหา ชัดหาหมาเลี้ยงรู้เลี้ยงเตาคือเก่ามันก็เทินใจนะอาจารย์ขอรักษาสินหาตลอดไปพวกเจ้าที่รักดูแล ก, กันได้บอสเท่าแม่กันเลยเออได้บอไปยังไงฉะนั้นจะเท่าพอกันเลยรักษาสินหามาตั้งแต่ปอายุสามสิบห้าปีจนอายุถึงเก้าสิบหกปียองพออย่างในมรณะภาพอันนี้เป็นความหลงพ่อวอลในรายละเอียดให้พวก สัทธายาดโยมได้ฟังได้ศึกษาวันไปนี่แหละคนโบราณเขาเขาเขาคิดเท่านั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นมาถึงยุคของพวกเขา้าแต่ไม่จริงรักษาสินฮามันก็ไม่เห ม, ม, มืนของหยะเป็นของง่ายทีเดียวเพราะว่าการรักษาสินฮาเนี่ยกันที่มันหยะที่ชดก็คือเนื้รื่องคอทีหนึ่งนี่ยนะกับคอกี่ตัวออกไปพวกเข้าจะไปหากี่ตัวทเท่านั้นแนะ่ะแล้วก็บคอทีหนึ่งมีหฮอมีเฮอค์าหยุ่งขาหยุ่งขาหมดเท่านั้นอ่ะเท่านั้นแหละ แนวอื่นไม่ได้แนวหยาเพราะฉะนั้นให้ท่านในพรรษานี้ยนะผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายที่หลวงพ่อว้ากหัฟังเนะี่ยควรจะเป็นโคงโค้งสุดท้ายของเฮาแล้วชีวิตโค้งสุดท้ายแล้วอะไรไปเฮาอยัางปล่อยปะ ล, ป า, ลาเลยไม่ได้สนใจในศีลในธรรมอยู่มันก็ไม่ดีเด้เพราะนั้นควรจะรักษาศีลห้าไว้กว่าดีไ ว, ว้ไวพระสวดมนต์เพราะว่าชีวิตของเฮาเนะี่ย มันจะยืนเงาไปสักเท่าเลยเฮาก็ไม่หูจักแต่ว่าตายแล้วไม่สูญ น, นี่แหละลักธรรมขั้มสอนของพระพุตธเจ้าเพิ่นบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแต่จะเกิดเป็นพเพลินะมีหูจักต้องเกิดแน่นอนนี่แหละอันนี้ก็คือการเกิดการตายเพราะลงพรอไปในเบาเองเลยเป็นลักธรรมคําสอนของปพปุถุตธเจ้า พระพุทธเจ้าไปค้นขวาศึกษาจนในโคนต้นโพเงาต้นโพเดือนหกเพ่นเพ่นกันนั้งภาวนาจิตใจของเพนรวมสงบเกิดญาณราาัตนะเกิดฌานความรู้พิเศษปุเพนิวาสานุสติญาณรละลึกชาติผลหลังได้กานว่าคนเท่าเกิดมาชาตินึงชาติเดียวจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรนี่ลหละอันนี้ก็คือ จากนั้นก็พอแม่กูบายจานหลงผู้หลงตาหลงผู้สาหลงปูมันหลงปูลาหลงตามหาบัวพวกเขาเคยได้ยินบอกล้วไปหาหลงปูลาโอ้ยตายแล้วสูนเลยสูย้อสู้จะไปหาทำความดีนะตายแล้วมันจะสูนที่ทำความดีไปให้งอให้ยังพวกเขาได้ยินบอกหลงพ่ออยู่กับเพิร์นมิเคยได้ยินเลยเดมิตรแต่เอ้ยตายแล้วเกิดนะอย่าไปเหตุความซัวนะคานว่าเหตุความซัวเนะี่ยเกิดมาพบนาซาดนานี่ ความซัวจะให้ผลเนะ๊ะพวกเขาจะเดือดร้อนเป็นเป็นทุกเนะ้อเพราะความซัวให้ผลอักตังทุกตังเส้ยโยปรัปราชตปฏิทุกตังกรรมชั่วจะทำสเสลยดีกว่าเมื่อทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนันแลจะเดือดร้อนเมื่อพ่ายหลังนี่ละ่ะให้พวกคณะท่าญาติโยมทั้งหลายเนะ้อวันขึ้นเดือนปี ปีสองพันหารอยห้าิบเก้าจะหายมันพานไปโดยที่พวกห้างบรดิประกอบคุณงามความดีเนี่ยไม่น่าจะถูกตองเนอะอัน้คือคำเตือนคำย้ำขนาดสมัยโบราณขนาดเก่าแก่น่ะโยมพ่อโยมแม่นี่ทุกอย่างลำบากคุดหเหล่าเก่าหัวยาหัวไปสมัยนั้นมีได้โล่งสีอีกตั้งหากคกกระเดืองไป ต่ําเข้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาหนูไปลูกตั้งหลายคนพ่อมาหายโยมแม่ผนโยมแม่ยังให้รักษาศีลห้ า, าโยมย้าเดีกันนะไม่ได้เห็นแก่จู้แก่กินไม่ได้เห็นแก่ศีลตอนนาปาตอนง่อยหนูไปเห็นแก่ศีลเห็นแก่ธรรมไม่ได้เห็นแก่ปากแก่ท้องหนูไปเจอเจอรู้รักษาศีลห้านี่แหละ เ, เป็นตัวอย่างที่ดีของพวกเข้าขึ้นกันเลย ก็เทาพวกคิดพวกเขาคิดให้ดีนะพอเปิ้ลมุ้งหวังต่อไปพ่ภาคหน้านะ่ยมันพราตายแล้วมันบมศูนย์ตายแล้วมันเกิดอีกหลวงวิญญาณนะ่ยมันเกิดแต่ร่างกายของเข้าเนี่ยตายแน่นอนคือการกับเพ้าเนี่ย เ, เดี๋ยวนี้นะ่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังอะหลวงพ่อเอ็นกําลังโพดอยู่นี่เนี่ยหลวงพ่อเอ็นนี่ไซร์ลดมานี่นะี่ยเจ็ดสิบเอ็เจดบสปีแลร่างกายคือร่างกายคือลอดแดด ร่างกายนี่คือรถมวนไปแต่จิตเจอเน่ยเจอของเฮ้าน่ยความนึกคิดของเฮ้าตัวผู้รู้ของเฮ้าน่ะคือนํามาทำต่วนั้นเน่ยคือหัวเจอเน่ยหัวใจนะั่นอันนั้นคือโซ่เฟ้อรถวนไปคันเท่าคัน น, นันรถธรรมดาเฮ้าใช้ามาสิบกว่าปีนะั้แล่นตลอดตลอดเนี่ยมันพังปันพังเป็นเศษเล็ก <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ของหลวงพ่อนี่ยใช้มาเจ็ดสิบสองปีก็โเคกเข็เต็มทีขึ้นกัน ไม่คือเก่าเล้เออเมยกับเม ย, ย์ไงเอ่อจะอยู่ไปเอออยู่ไปอีกสักกี่ปีก็มีหัวละวันไปเออแต่พ่อรถคันนี้พังว่าไปคันว่าโซเฟอร์ไม่ได้สแสวงหาบุญไม่ได้หาเงินวไปมีแต่ขี่รถตลอดหน้าตลอดหลังหากินเล่าหาเที่ยวไม่ได้หาเงินวไปโซเฟอร์ไม่ได้หาเงินเพราะนไม่ได้คิดว่า รถคันนี้สิพังเนีพ่อรถคันนี้พังเอเดอเลร์บัตเนี่ ย, ยจะหาเงินทีเหลือมาซื้อรถอีกล่ะนี่แหละอันนี้พูดว่าเนี่ ย, ยพวกข้าวมาอยู่ในร่างกายอันนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อประกอบคุณงามความดีเนาะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะออกจาก อล้างกายนี้แหลวมันไม่สูญเนียมันไปหาเกิดอีอาคานว่าเฮามีบุญเฮาไปเลือกเกิดไดคานว่าเฮาไมีบุญไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมก็ได้คานเฮาไม่ได้เงินแหละคือกันกับเฮาขี่รถไปแล้วพ่อมดรถคันนี้แล้วเฮาไม่ได้หาเงินอจั ก, กรยานก็ซื้อไปไดเอาไปปากระกยานจาตอกนะ ยังจำต่อกไปยังไปหาเกิดเป็นชัดที่ไรฉานบัดเนี่ไปหาไปเกิดเป็นโง่เป็นควายเป็นหมูเป็นมาเป็นกาเป็นไก่เป็นใดทั้งหมดวะนะเพราะนัะ้ น, นขอให้พวกเขาลูกหลานทุกคนเนาได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่กูบาอาจารย์หลวงปู่ลาของเข้าพันสอนเข้าจนพ่อแห้งละแนวความรู้ความฉลาดทุกอย่างพันสอนใเข้เาพวกเข้าเป็นในฐานะลูกหลานทั้งหลายเ น, น่ยจะตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีนะและก็พร้อมกัน แต่ไม่ใช่หลวงพ่อนี่จะสอนให้พวกเราทำบุญทำท่านเนอเอาเงินมาถวายหลวงพ่ออีนเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้สอนตอานั้นเดะพวกเข้าฟังไว้ให้ดีแต่หลวงพ่อไม่จะสอนว่าให้รักษาศีลเนอะแต่ว่าท่านท่านนี่ก็พวกเขาก็ควรจะท่านนั่นแหละแต่ตามมัตตภาพจะให้เดือดยาให้เดือดร้อนตนเองแต่เราต้องทำผู้ที่ทำบุญทำท่านเนี่ยเกิดมาพบน้าชาติหน้านี่ย เจ็ดเป็นผู้ไม่อดไม่อยากทำกิจการงานอย่างกระลาบเลื่น เ, เพราะอเนกอนกสง์ทาน อ, อยู่ในสถานที่ใดไปในสถานที่ใดกิจการอย่างงานอย่างลาบเลืนเพราะว่าอเนกสง์ในการทำบุญทำท่านการว่าคนขีตดทีที่เหนียวแมนยุได้มาพบในชาตินี้พอกินแลไรกนนะั้นเพะจักทำกินเ่จาจักทำบุญทำท่านเกิด เกิดมาพบนาชาตินานบัณนี่ทุกยากเด้บัณนี่ยเฮ็ดเออย่างก็ะ ต, ตกตกล่นหล่นบัเนีเทั้งที่มันจะรวยทั้งที่มันจะเป็นไปได้เพราะอเ น, นสงสินอเ น, นส่งทานบ่มีไงเพราะฉะ น, นั้นอเนส่งทานก็จําเป็นอเ น, นสงสินสินคุ้มครองก็จำเป็นแล้วก็เรื่องภาวนานะที่ตัดกิเลสตัดกิเลสราค่โทษสะโมห์นี่คือภาวนาเลยอย่างมีพระ ลูกหลานมาจากกรุงเทพเถามภูคาเนี่ยถามหลวงพ่ออินเนี่ยวานเมื่อก่อนนะหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อบอกว่าให้ท่านลอยขังสู่รักษาศีลบริสุทธิ์ขังหนึ่งบ่อใดรักษาศีลบริสุทธิ์ร่อยขังสู่นางภาวนาจิตใจสงบขังหนึ่งบ่อใดผมยังสงสัยครับเป็นอย่างอนิสง์จึงทวีคูณมากถึงขนาดนั้นเพราะเหตุใด หลวงพ่อก็บอกว่าอันนี้สงท่านเนี่ยเป็นการเสียสาระตัดกิเลสภายในใจของเฮาส่วนหนึ่งแล้วก็บำเพ็ญไปหรือเสียสะะาระห้ยท่านแล้วก็เกิดมาพบนาชาติหนาโบสถบปอยยากแต่อันนี้สงสิณในรักษากายว่าจะาให้เรียบร้อยว่าให้มีโทษขาคนบ่มีสิน เฮ้เฮาขาคนอื่นขาชัดตัดชีวิตขะโมยคนอื่นลาลาบละห่วงในสามีภรรยาคนอื่นโกหกขี่ตัวคนอื่นกินเราเามาสุล่าขัญชายาฟินให้เราอินเป็นคนซัวเอ่ยสบสัมร่วมกายว่าจาของเจ้าของใจของเฮาจะเป็นยังไงล่ะใจของเฮ้าก็เสียหายเอ่ยเป็นคนซัวไปทั้งมดทั้งตัวเลยเปล่าทั้งกายทั้งว่าจา่าทั้งใจเป็นคนซัวไปเลยถ้าเฮ้ามีท่าน อันในสงท่านของเข้าเกิดมาพบใดชาติใดก็ดีบวต์บ่ อ, อยักอันในสงสินก็คุมครองแล้วก็จิตใจของเขาา้าภาวนาภาวนาก็เบื้งองจิตใจของตัดกิเลสใ ด, ดตัดกิเลสราคาโทษสาโมหะเป็นพระาหานคือภาวนาเดะภาวนานี่คือตัดกิเลสอันในสงท่านนะในสงเนี่เป็นเครื่องเกือ้อกูล น, น้นเท่านั้นเองคือกันก็าพ่อปลูกตนใหม่นะเข้าปลูก ไม่แต่เขียนท่องไม่ยุ่งไม่ดูไม้แดงเขาตรงการแกนมันเขาเอาเอาแกนมันมาปลูกบ่อบอเข้าก็ต้องเอาเม็ดพันปลูกพอเม็ดพันปลูกขึ้นมาแล้ววาเนี้มันเป็นต้นขึ้นมาหน่อยๆมันก็ต้องมีเปลือกซะก่อนมันมีเปลือกแล้วมีกระพี้ภาษาบ้านเฮาหม่อมหม่อมันมีเปลือกมีหม่อมันแล้วก็มีแกนมันไอมีแกนต้นไม้มันก็ต้อง เหมาะมันอะสร้างแก่นมันไปขั้นเอาแก่นมันไปปลูกรอดไม่ได้เลยมิจก่อนเท่านั้นแหะมันปมิจะเลื่อนเติบโตแล้วเอาแก่นเอาแก่นมันไปปลูกมันต้องปลูกเป็นเม็ดก่อนพอมูเป็นเม็ดนั่นแหละก็ต้องมีเปลือกมีกระพีแล้วก็ต้องมีแก่นอันนี้คือกานอาการบ่มเพ่นคุณงามความดีต้องมีท่านแล้วก็มีศีลในเมื่อมีท่านมีศีลมีท่านก็คืออันในสงท่านนี่ เขามีอยู่มีกิ่นนี่มีอดมีอดมีอยากกันออกไปมีอยู่มีกินเน อ, อ, อ, นน อ, นเอ่อุดมสมบูรณ์แล้วก็บุมบ่หิวบ่หอยนบะบมเพราะอันิี้สงท่านคุมข้องแล้วก็รักษาศีลเอากรรมวดีทําความช่วยเสียหายรักษาศีลบกขาบกขโมยบก ป, ประพฤติบกินเหลา้ากันไปอ่าสำรวมกายดีแล้วบันนี้ภาวนาจิตใจกับเข้าสู่ความสงบพิจารณาไอ้ยังกับเป็นเรื่องเป็นราว เมื่อจิตใจสงบเราพิจารณาแยกแยะอ ย, ย่างเห็นตามความเป็นจริงตัดกิเลสราคาโทสะโมหะออกจากจิตจักใจใดเข้าสู่พระนิพพานนี่แหละมันเป็นเครื่องเกือกูลหนุนกันถึงสันละอันนี้ท่านศีลภาวนานะเพราะนั้นขอให้พวกเฮาทุกๆคนนะแต่ในช่วงหนึ่งเฮาอาจจะเล่งในการทำท่านแต่ช่วงหนึ่งเฮาอาจจะเล่งในการรักษาศีลแต่ในช่วงหนึ่งเราก็จะเล่งในการภาวนา มันข้นและจังหวะกันได้ เ, เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สนั่นน่ะนั่นแหละลักษณะชัางสั้นละ่ะวิธีการประกอบคุณงามความดีเนี่ยมื่อนเนี่ก็ได้ม่าพบกับพี่น้องลูกหลานทุกคูทุกคนนะกระเด้วแนวความคิดเท่ากับพี่น้องทั้งหลายได้ศึกษาได้ฟังนะนำไปคิดนําไปพิจารณา ด, าดูดูนะที่หลวงพ่อหลวงตาได้เดิวให้ลูกให้ลใหลานฟังนะ ถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนบณ น, นีนนะรับพรนะอุทิศส่วนกุศลเน้า